เด็กไม่ได่น่ารักหรอกมันมีทั้งน่ารักดลวยน่าชังด้วยมันมีทั้งสองหน้านั่นแหละเตเปียงว่าเราจะมองหน้าไหนใช่ไหมเราจะมองมุมไหนอ่ะเนี่ยัจะมองมุมเนี้ยถ้าฉันจะมองมองแบบนี้ดูมันทำหน้าดิเนี่ยจะมองแบบหน้าชังก็ได้เนีทำหน้าเหมือนเหมือนคนไม่มีหมดแรงคนไม่รู้เรื่องรู้ราวเลยไงสมมตินะ มัแต่จะมองว่าเออมันก็ทําหน้าตาปัญญาอ่อนน่ารักดีอย่างเงี้ยมันก็ได้ใช่ไหมล่ะมันแล้วแต่จะมองไงมันแล้วแต่จะมองแต่ว่ามันมีมุมได้ทั้งดีและไม่ดีไครบอกว่าน่ารักอย่างเดียวมันมีอย่างนี้หนึ่งน่าชอบใจสองไม่น่าชอบใจเนี่ยคนโดยมากมันจะวิ่งสุดตรงแบบเนี้นะเนี่ยเขลเียกสุดตรง แต่หลักการในการมองว่าที่เขาทําที่น่าชอบใจนั้นเนี่ยมันเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์บางครั้งทํำน่าชอบใจแต่ไม่เป็นประโยชน์เช่นเขาเป็นคนยิ้มแย้มแจ่มใสแต่เป็นคนเกียดค้านเงี้ยไอเนี้ยเห็นไหมมันน่ารักแม้ทำหน้าตาเนี่ยแต่เป็นคนไม่มีประโยชน์ไม่มีสาระในชีวิตแต่บางคนเป็นคนเครียดเป็นคนเครียดเป็นคนขี้โกรธแต่เป็นคนขยันเออไอเนี่ยไม่น่ารักแต่มันทําดีทําสิ่งที่เป็น แล้วเราควรจะวางท่าทีทางใจยังไง<ม>เราควรวางท่าทีทางใจบอกว่า <c oughs> ที่เธอทำน่ารักดี <c oughs> แต่การที่เธอไม่รับผิดชอบงานไม่ดี <c oughs> เห็นไหมนี่แยกแล้วก็แยกประเด็น <c oughs> ไอ้เธอทำงานรับผิดชอบดี <c oughs> แต่เธอทำหน้าเครียดวิตกกังวลไม่ดีไอ้ส่วนดีก็ชมไอ้ส่วนไม่ดีก็แก้ไข <c oughs> ถ้าอย่างนี้ชัดเขามองเห็นไหมเขาให้มองแบบนี้ 玩的，地方的。<嗯> the r o b l e มันออกไปมีสติสัมปชัญญะกันแน่ดไม่เผลอเลยไม่ไม่นั่งงงงถ้าแต่ก่อนยู่นั่งงงงเดี๋ยวนี้ไม่เป็นเนื้วทำด้วยความเต็มใจไม่เกียดค้านเลยแต่ก่อนอาจารพูดจริงมาเป็นอย่างนั้นจริงไม่จริง มีข่าวมีข่าวอยู่ข่าวนึงเนี้ยเขามาเล่าให้ฟังเนี้ก็เลยไปเช็คดูข้อมูลเรื่องข่าวที่มีผู้ชายคนหนึ่งฆ่าตัวตายอ่ะฉันก็เลยตามตามดูวิธีคิดของไอเจ้าผู้ยมคนเนี้เพราะว่าที่เขาลงเขาไปลงทุนบ้านภรรยาใช่ไไปได้ภรรยาอยู่ทั้งเกาะเต่า แล้วก็ไปลงทุนไอ้เจ้านี้แต่ก่อนอยู่ต่างประเทศสุดก็ปีแล้วก็ต่อมาก็ไปเจอผู้หญิงคนนี้ชอบพอกันขึ้นมาก็เลยไปลงทุนไปขายทรัพย์สินของตอนเองทั้งหมดเลยไปลงทุนตั้งเป็นบริษัทรับในการคนต่างชาติาสอนดาน้ําแล้วก็ทําร้านอาหารแล้วทุนที่เข้าไปลงแล้วก็ต่อมา ไ, มไปจะไม่รอดอีกก็กลับมาขายที่ดิน ขายทรพัพย์สินในกรุงเทพก็เลยหมดเลยพีนี่ไปลงทุนในบ้านภรรยาแล้วก็ในบ้านของพ่อแม่ของภรรยาทั้งหมดทีนี้พอต่อมาเนี่ยทรัพย์สมบัติมันกลับกลายไปเป็นของภรรยาทั้งหมดตนเองก็เลยถูกถูกเริ่มถูกลังเกียจน้องสาวภรรยาก็เริ่มพูดไล่บ้างดูถูกบ้างแม่ภรรยาเองก็ทําตัวไม่ค่อยเหมาะสม ในการที่ปล่อยปาละเลยแล้วก็ทำตัวไม่เหมาะสมกับผู้ชายต่างชาติบ้างอะไรแบบนตอนนี้ก็เพียนเพียนจะทะเลาะกันตลอดมีลูกสองคนและในที่สุดมันมาถึงวันหนึ่งก็คือเขาก็ขับรถเอ็มซไซพวกบิ๊กไบค์เนี่ยออกจากบ้านแล้วต่อมาเขาเป็นเขามีเขามีเว็บ เขามีเว็บของเขาอยู่ในกลุ่มคันทีเขาก็โพสต์โพสต์ข้อมูลข้อความออกมาระบายความในใจแล้วเขาก็เลยมาถึงวินาทีหนึ่งก็คือเขาต้องการฆ่าตัวตายฆ่าตัวตายด้วยการใช้ปืนยิงด้วยก่อนจะตายก็เขียนอารนาทั้งหมดว่าภรรยาเป็นยังไงยังไงแล้วเขาแค้นแค้นมาก เขาบอกว่าแล้วแค้นเนี่ยเขาจะไม่ให้อภัยเลยแล้วถ้าตายแล้วถ้ามันวิญญาณหลังหลังตายมันมีวิญญาณจริงๆเขาเขาจะจ้องดูแล้วไม่ต้องมาขอเข้ามาเขาไม่ต้องมาจัดงานศพให้เขาไม่ต้องอะไรทั้งนั้นเลยเขาบอแค้นกรณีแบบนี้แล้วแล้วเขาแล้วเขาไปยิงก่อตาย ทีนี้ประเด็นประเด็นมันอยู่ตรงไหนประเด็นมันอยู่ว่าคนตายด้วยความอาฆาตเนี่ยตายแล้วควรจะไปเกิดเป็นอะไรนี่ประเด็นอยู่ตรงนี้สิ่งที่มันน่ากลัวที่สุดตรงนี้จากกลายเป็นเขาเรียกว่าปิยะบุคคลบุคคลนั้นเป็นที่รักก็กลายเป็นเวรีบุคคลบุคคลที่เป็นคู่เวรกันเห็นไหมมันแปลสภาพแล้วจากการที่รักกันชอบกันเนี่ย แล้วต่อมามันแปลเปลี่ยนจากคนที่เคยรักกันกลายเป็นคู่เวรกันจองเวรกันแล้วก็พร้อมที่จะเบียดเบียนกันแล้วคืถ้ามันเจอกันท่าใหม่แบบมันก็จะกลับมาทีนี้ถ้ามันมีอยู่เรื่องหนึ่งมีผู้จะเล่าให้วามเรื่องหนึ่งคือมีผู้หญิงคนหนึ่งมามาอยู่ที่วดัดวัดหนึ่งอายุประมาณสิบเจ็ดปี ผู้หญิงคนนี้เวลาเกิด อ, อะไรขึ้นมาก็จะเอาใช้มีดแทงตัวเองอต้องจับต้องจับนั่นเขาบอกมันมีอมนุษย์มาสิงเขาก็จะฆ่ประทุสล้ายตัวเองอย่าง เ, เงีเ้ยผ้านเนนก็ช่วยกันให้โยมจับจับเสร็จก็มาสวดพระปริรเพื่อขับไล่อัมนุษย์นี่ออกอแล้วก็ต อ, อตอนนี้ยังอยู่วัดอยู่ ไข้ S <S <an> <S <S <an> นี่มันมาจากอะไรเนี่ยมามาจากอาฆาดกันมันมาจากการจองเวรกันถ้าคนที่ตายแล้วมีอนุภาพมันจะเป็นรักใครผู้หญิงก็จะไม่อยู่สุขแล้วจริงๆถ้ามันอาฆาตถึงผู้หญิงให้โดนทําก่อ <S an> <S an> โดนทำก่อนโดนแม่เขาทำโดนพ่อแม่เขาโดนฆ่าผู้ชายนี้ตายผู้หญิงนี้ก็เลยเอาคืนรื่จิงเราเรากล้าไม่กล้าคาดคนขนาดนี้ออก็เลยยังไม่เคยโดนจะทำแบบนี้มั้ย ถ้าโดนจะทำแบบนี consume, ้อาคาตนี้ไม่ไปทักพี kind of ่แฮมเลยเหลือให้พี่แฮมมาทักกาการผู้หญิงคนนี้ใช่ไหม ผู้ชายมันตายตายแล้วมันเข้าสิงเข้าสิงแล้วก็มีดแทงตัวเองผู้หญิงไปฆ่าผู้หญิงไปฆ่าเขาอันนี้ผู้หญิงฆ่าเขามันมันต่อสู้กันนี่แหละแต่ผู้ชายมันพลาดก่อนมันโดนแทงตายก่อนนี่มันก็ตามเล่นกันคือก่อนหน้านั้ผู้ชายคนเนี้มันเคยเป็นมันเป็นโจรไอ้ผู้หญิงคนนี้มันยังเล็กๆอยู่เป็นเด็กๆไง มันมันไปแอบอยู่ในตู้ไอ้พวกนี้มันขึ้นไปในบ้านก็จับพ่อแม่มัดแล้วก็ขนของแล้วก็ฆ่านี่มันจําหน้าผู้ชายได้พอมันโตขึ้นมาเนี่ยมันไม่ไปอยู่กับยายตอนนั้นน่โตขึ้นมามันเห็นในผู้ชายคนนี้แก่แล้วอายุประมาณสี่สิบห้าสิบตอนนั้นมันยอยุคสิบหกมันก็เลยมันก็เลยวางแผนในผู้หญิงคนเนี้ยไอ้ผู้ชายคนนี้เห็นก็มาชอบมันก็เลยตีสนิทไปไปมาก็ ชวนมันเข้าไปไปไปเพื่อจะอะไรเนี่ยพบนั่นกันไปนั่นกันมามันเตรียมมีดเตรียมอะไรไปพอไปเกี่ยวข้อมันมันใช้มีดแทงไอ้ผู้ชายก็สู้สู้ไปสู้มาแต่มันช่วงทงแทนไม่นับเลยแล้วต่อมาผู้ชายนี่ตายนี่ผู้หญิงนี่ก็หนีหนีจากที่ตรงนั้นก็เลยไม่รู้ทางไปก็เลยมาอยู่วัดมาบวชแล้วต่อมาเนี่ยไอ้ไนั้นมันตามมาไอ้มนุษย์เนี่ยแล้วสิงเลยสิงไม่สิงเปล่ามันแทงตัวเอง กรณีแบบนี้ไม่เคยมีเรื่องแบบนี้เพราะเห็นในผู้ชายคนนี้ที่มานอาชาติก็เลยนึกถึงเรื่องแบบนี้ถ้ามันมีอนุภาพบางทีถ้าไม่มีอนุภาพก็ไม่เป็นไอ้เจ้านี้แดนไปมีบุญมีอนุภาพอีกโอ้โหน่ากลัว ได้ดีเลยมันบีบถูกเส้นไอ้ฟันหนูเป็นไงน้าฟันฟันหับเป็นแมงด้วยฟันฟันฟันแท้ๆหมดหรือยังวันแทๆวันน้องือเน่อ๋อฉัดก็ผิดรู้อายุห้าแมงยี่ยี่ข้ามยีาหรอฮะ แม่เมนูหอมไปไม่กินข้าวแม่แม่แม่แย่งกินวะแล้วทำไมไม่ขอไม่ไม่วนขยายขึ้นแล้วเขดีขึ้นไหเป็นผู้ใหญ่ขึ้น รับผิดชอบเลไรอย่้ยขยันรับผิดชอบทํางานเอากา ร, เ, าการเรียนเก่งขึ้นอะไรเงี้ยเป็ น, นไงการเรียนเก่งไม่เห็นยากอะไรเลยแค่ขยันอ่านอ่านไปก่อนอ่านไปก่อนที่จะไปนั่งเรียนก็แค่นี้แหละคุยเรื่องเดียวกับครูได้แค่นี้จบแล้วใช่ไหมไม่มีอา ครูเก่งภาษาอังกฤษก็ดูภาษาอังกฤษไปก็ไปนั่งคุยกับครูแค่เนี้ครูกโอ้โหสุดยอดครูเก่งด้านคณิตศาสตร์ก็อ่านคณิตศาสตร์ล่วงหน้าไปก่อนเพราะครูก็อ่านเหมือนเรานี่ยแหละมันมีอะไรหรอกไอ้เรื่องหลักสูตรเดียวกันเนะก็ไปนั่งคุยพอคุยกับครูรู้เรื่องแกก็เรียกคนเก่งเข้าใจไหมไอ้นี่เล่นไม่อ่านไปเงี้ยไปนั่งมึนงงเงี่ยเขาเรียกไม่เก่งไม่เรื่องมันเก่งหรือไม่เก่งมันอยู่ที่อ่านไปหรือไม่อ่านไปอ่านไปก่อนแค่นี้ก็เก่งแล้วจริงไหยเข้าใจไหมการเรียนเนี่ยิไม่รู้เรื่องจใช่ไหมล่ะ ก็อ่านไปก่อนเนีย่ยนี่เอ๊มีอะไรหรอกตอนสมัยฉันเป็นเด็กอะฉันไม่เห็นยากอะไรเลยนี่ดูดูดูดูไปก่อนแล้วไปนั่งฟังหน่อยตั้งใจโอ้ครูมันรักเพราะครูเขกระมืนเขาคิว่าเรานี่เอาใจใสด่ดูที่ไหนได้อยากจะเล่นจับตายมั้จ้องหน้าครูอยู่แ น, น่เลยไอเพอมันรู้ ร, รู้หมดแล้วใช่ไหมเราก็อ่านไปหมดแล้วครูก็อธิบายถามอะไรจะถามเราคิดว่าถามก็ตอบได้ถามก็ตอบแล้วไปจ้องนั่งอยู่ข้างหน้าเลย แต่สักพักนึงโอ้อยากจะเลิกเรียนแค่ตายใจจะขาดออกรี๊งเนี่ยโอ้โหอยากจะยกพวกเขาออกจากโคกหรือไ ม, ม่อย่างนั้นบางทีแทนเข้าวของนาต้องนานมันมากเมื่อไหร่ครูจะพูดผ่านวิชานี้ไปเร้่อยมู้อ่านไม่จะเบื่อแล้วมันเบื่อเลยโนเป็นแบบนี้ไม่ได้ พูดซ้ำจำเจซ้ำซากไอ้พวกนั้นก็บือเป็นแถวเป็นแนวไม่เข้าใจสักทีครูก็วนอธิบายอยู่นี่แหละอะไรเงี้ยเป็นไห ม, ไมเพราะอะไรเยเป็น อ, นอ า, ารมณ์กรจายแต่หนูไม่ยอมอ่านไปสั้นฮ ะ, ะฮะเ น, งงเนี่ยทั้งหมดอย่ใช่มเนยเนี่ยเนีงงยนเ่ยทั้งหมดหนูเรียเนีงงเ้ยแต่ครูแต่ครูขงหนูที่เป็นอะดู ทำไมถึงไม่ชอบอะทำไมไม่ขำอะ่ะไม่เองก็ทําทํารู้ความรู้สึกใครขำดิที่ครูก็เป็นอย่างนั้นเนี่ยเองก็มองให้ทะอรเธอแซวว่าครูเนี่ยเครียดมาจากปัญหาในบ้านแสดงวันนี้ทะเลาะกับเมียมาแน่นอนถึงเครียดอย่างเงี้ยทะเลาะกับภรรยาสามีมาแน่นอนถึงเป็นอย่างเงี้หรือว่าโกรธลูกที่บา้านแน่ถึงเป็นอย่างนี้ห ร, รนนนนนหรือทะเลาะกับเพื่อนหรือแสดงว่ามีปัญหาเรื่องการเงินอะไรเนี่ยก็วิ่งไฉได้นี่เพราะวิ่งไฉงี้เพราะเองจะขำไหมล่ะ ยังไม่ขำอีกอาจิตย์เอครูเขามีปัญหาชีวิตสังเกตด้วยที่ครูที่มาเครียดเคียอะไรกับนักเรียนเนี่ยก็มีปัญหาชีวิตตรงนั้นเลยลงว่าง ๆ, ๆลงไปทีแ ต, แต่ก่อนเนี่ยฉันเห็นครูที่โกยๆฉันก็ไปเล่นด้วยไปๆมายังก็ไปพักบ้างนะน้าก้าวนก้ก็ถามฉันก็เลยรู้อ่านี่มีปัญหาๆๆฉันบอกอิฟทําไมแต่ก่อนยังเป็นคนที่สงสัยเนี่ยเอ๊บทำไมครูคนนี้มันดุแล้วเกินเว้ยโอ้โห ดุมากเลยอกัจจานครับขอไปอยู่บ้านเนี่ยอยากไปพักบ้านครูได้ได้ได้ปโอ้โหอาหารมากมาไปที่บ้านครูเนี่ยไปที่บ้านครับเอเจ้าครูคนเนี้แฟนเขาข่มเขาตลอดเลยอะไปถึงที่บ้านแฟนก็ด่าเขาอะไรก็าสลรพัดเขาก็นั่งเงียบก็เลยบอกว่าเข้าใจแล้วครูเป็นอย่างเนี้พอมาพ่อเขาก็มาระบายกับนักเรียนไอ้ที่เขาโดนด่ามายังไรก็มาระบายกับนักเรียนหมดเลยฉันเลยเข้าใจแล้วอ๋อมันเป็นอย่างนี้ครูทำให้ลูก ฮะในเหตุตัดใจต่างมาละบายเรื่องบ้านยังไหมเออเห็นไหมเนี่ยนี่ถ้านหนูเข้ามาละบายปุ๊บเนี่ยหนูยกมือเลยนะบ่กครูครับผมแก้ปัญหาได้ครับผมเคยบวชมาอาจารย์ผมบอกว่าพี่อนนี้ถึงท่านใดเนี่ยโกรธคืองโง่ คนโง่เท่านั้นที่จะโกรธได้ว่างั้นนะถ้าคนไม่โง่เขาจะไม่กล้าโกรธเด็ดขาดเพราะโกรธเนี่ยมันมีผลเสียหาย ห, ายหลายอย่างนะครูนะหนึ่งก็คือความดันโลหิตสูงการทํางานของหัวใจเต้นแรงขึ้นเป็นเหตุทําให้ระบบในร่างกายเนี่ยโหพันแปรหมดเลยฉะนั้นคนต้องโง่สุดๆจริงๆถึงจะกล้าโกรธที่จะเบียดเบียนตัวเองขนาดนี้อาจารย์ว่าจริงไหมครับอะไรเงี้ยไม่กล้าพูดในคเนี้ย พี่เพราะอะไรแต่ไม่ใช่ผมพูดนะผมได้ยินพระท่านพูดมาอย่างนี้เขาก็จะรู้สึกโกรธพาึ้นมาดังนี้พาอยู่วัดไหนยังไม่บอกกให้หายกลัวหายโกรธได้จะบอก คนบางคนเป็นอย่างนี้มันมีอัตลักษณ์อัตลักษณ์ของตนเองว่านักเรียนต้องเป็นแบบนี้อนักเรียนต้องเป็นแบบนี้และคือคือถ้าฉันพูดอย่างนี้ไปเนี่ยนักเรียนต้องต้องเคารพฉันต้องยอมรับฉันต้องเข้าใจทฤษฎีของฉันต้องฟังฉันรู้เรื่องมันวางท่าทีทางใจแบบนี้มันมี่อัตลักษณ์ไงมันต้องการอยาก ให้นักเรียนยอมรับตัวเองก็เลยต้องเสียงดังแล้วก็มีอัตลักษณ์เอาไว้แต่บางคนไม่เป็นอย่างนี้บางคนไปสอนนักเรียนเนี่ยให้สังเกตดูนะว่าแยกไม่ออกว่าอะไรคือสอนอะไรคือบ่นแยกไม่ออกคือมันปนกันหมดไงไอ้นักเรียนก็มึนแล้วมันสอนมันทำอย่างนี้ใช่ไหม ไอสอนมันคือคือบน่นใช่ไหมมันแยกไม่ออกมันมึนมันคือครูก็มึนนักเรียนก็มึนใช่ไหมแล้วก็คนต่อไปเนะี่ยเจ้านี้ก็ติดนิสัยครูมาด้วยไอนิสัยที่บน่นจุกจิกจิกจกจก้จี้นอกจากเรียนรู้ไม่พอยังติดนิสัยครูมาด้วย <laughs> แล้วมันมาบ้านก็ไม่อยากคุยกับพ่อกับแม่นะนักเรียนมวกนี้มันมเครียดพ่อแม่มันอยู่วมันเครียดไปอย่างเรียนห <laughs> <c oughs> <c oughs> ีืยิ่งมาเจอ มาเจอพ่อแม่เป็นเหมือนครูตัวเองเลยโอ้โหตอนนี้อยากจะเรียกเข้าห้องเล่นเกมไหมบางทีแบบเรียนวิสิตนะคะแบบว่ามาตอนเช้าคือเช้ามาเป็นรนเช้าก็มาลุคสภาพ ท, ที่แบบไม่ค่อยอยากสื่นไม่พร้อมเรียนอะไรเงี้ยค่ะมาก็จะแบบง่วงแต่อาจจะจะถามก่อนว่าทวเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ๆๆ ย, ย, ยตอนเช้าทานข้าวเช้ามาหรือยังอะไรเงี้ยนก็จะคิดว่ามายุ่งมันจะช่วยอะไรจริงจ วิธีการแบบนี้มันคิดอย่างนั้นจริงๆโอ้โหพวกพวกนี้มันกระบวนการความคิดมันไม่อยากขยุ่งกับชีวิตมันใช่ไห ม, ไม ว, วิธีคุยกับพวกนี้ยคุยยังไง ร, รู้ไหมวิธีคุยกับพวกนี้พวกวัยรุ่นระดับยุคปัจจุบันเนี่ยววบอกพี่ปัญหาอยากเรียนก็ได้ไม่อยากเรียนก็ได้อยากโง่ก็ได้อยากฉลาดก็ได้วิธีคุยคุยแบบนี้ เ, เออฉันเป็นคนแบบลักษณะว่า ใครไม่อยากเรียนก็บอกใครอยากเรียนก็บอกใครอยากตกก็ไม่เป็นไรใครอยากเรียนเก่งถ้าจะเรียนเก่งทําแบบนี้ถ้าอยากจะโง่ทําแบบนี้ถ้าอยากเป็นคนที่จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีทําอย่างนี้ทุกอย่างครูครูเป็นเพียงแค่เพื่อนแค่มิตรแต่ว่าถ้าหากว่าเธอวางท่าทีหรือว่าวางท่าทีของตนเองแบบเนี้ไม่มีทางจะพัฒนาได้ก็เป็นเรื่องเธอเนอะฉันไม่เกี่ยวฉันก็มีเงินเดือนของฉันเป็นปกติ เพราะฉันจบแล้วไม่ต้องไปแคร์เลยใช่ไหมแต่ฉันให้ข้อมูลเต็มที่นะสำหรับคนที่ต้องการอยากจะพัฒนาตัวเองแต่ถ้าไม่อยากพัฒนาตัวเองคุณก็เรียนแบบเล่นๆอย่างคุณนียคุณก็นอนดึกๆที่เล่นเกมเยอะๆไปเที่ยวเตะเฮยฮ่ไม่ต้องสนใจตัวเองปล่อยสภาพให้มันเหมือนอย่างเนี้ยเหมือนซากศพเดินได้มันผีดิบมาเรียนก็ได้ไม่มีไม่มีปัญหาอะไรก็บอกตรงๆใช่ไหมบอกเขาตรงๆแบบเนี้แล้วแบบไม่ได้คุยด้วยความโกรธนะคุยแบบตรงๆกับเขาแบบนี้แล้วก็บอก ไม่มีปัญหาอะไรถ้าอยากฉลาดอยากฉลาดวิชาอะไรถ้าชั้นชํานาญมากวิชาเนี้วิธีการทําแบบนี้คุณจะไม่ฉลาดเพราะมันไม่เพราะเขียนแบบนี้จะทําให้งงในวิชานี้แน่นอนแต่ถ้าต้องการอยากฉลาดวิชานี้ก็ทําแบบนี้ถ้าไม่อยากฉลาดก็เรื่องคุณฉันก็ทําหน้าที่อย่างนั้นอย่านี้แต่ถ้าหากคุณไม่ผ่านฉันก็ให้ไม่ผ่านนะเออคุณจะมามามาอะไรกับฉันไม่ได้ก็บอกเขาเพราะฉันก็ตรงไปตรงมาแค่นี้เองไม่มีปัญหาอะไรอยากนอนก็ได้อยากกลับก็ได้ไม่มีปัญหาอะไรเรื่องคุณ ใครอยากเรียนคนเดียวฉันก็สอนเพราะคุณตั้งใจอ่ะนอกนั้นก็กลับไปไม่มีปัญหาฉันก็ฉันก็ทำตามระเบียบของโรงเรียนคุณเข้าไม่ตรงเวลาคือไม่ตรงเวลาฉันเข้าไม่ตรงเวลาก็คือไม่ตรงเวลาฉันตั้งใจสอนใครอยากจะหลับก็หลับเรื่องคุณเพราะคุณไม่อยากรู้แต่ถ้าคุณอยากจะรู้นะถ้าคุณอยากจะฉลาดอยากจะเป็นคนมีศักยภาพแล้วก็มีงานทํามีเงินใช้อะไรก็แล้วแต่คุณก็ทําอย่างฉันทําอย่างฉันนมีเงินฉันมีเงินเดือนเพราะฉันต้องขยันฉันต้องเหนื่อย นันเป็นเรื่องปกติแต่ถ้าคุไม่ขยนันคนไม่เหนื่อยคนไม่พัฒนาตัวเองคุณ ก, ก็เป็นแค่เนี้ก็ไม่มีอะไรถ้าคิดว่าพ่อแม่มีตังอยู่แล้วก็ไม่ต้องไปเรียนเลยกลับไปก็ได้ทำอย่างอื่นก็ได้ไม่ต้องไปเรียนหรอกเสียเวลาใช่ไหม <c oughs> จะหลอกพ่อแม่ไปทำไมมขาขี้เกียจเรียนเนะี่ยก็โอเคกลับไปถ <c oughs> ้าบอกอย่างเนี้ยมันจะมีมนุษย์มันจะเป็นอีกอย่างนะถ้าบอกแบบนีย <c oughs> เด็กที่อยู่กับฉันเนี่ยมันขยันเรียนทุกคนแหละฉันบอกนี่ปัญหา อยากโง่ก็ได้ไม่ไรแล้วไม่ต้องไปดูมั้งหนังสือนอนกินนอนกินนอนไม่เห็นไปไ l l ่ไอะไรเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวความโง่มันก็ พ, อพ่อกคูณตามมาเองเพราะความโง่มันมาได้ง่ายนี่แค่ไม่ขนขวายเพิ่เดี๋ยวก็โง่แล้วใช่ไหมมนุษย์นะกว่าจะได้ฉลาดที่มันยากมากนะมนุษย์เนี่ยมันต้องข้นขวายตลอดใช่ไหมแล้วก็บอกเขาตรงๆเชื่อไม่บอกเขาตรงๆแบบนี้นักเรียนก็าบอกเออริงเออี่ครูคนเนีไ้ไม่ไม่อ้อมค้อม ไม่ใช่หนูกกินข้าวมาหรือยังยุ่งเลยก็โก้ใช่ไหมเด็ <c oughs> การเริ่มเรียน<อ><อ>ตนนินงว่าจะพร้อมเรียนหรือยังก็บ <c oughs> อกถามกองตรงพร้อมเรียนยังก็ตวาเอาพร้อมเรียนก็โอเคเรียบเรียนเวลาน้อยเรได้ก็แล้วแต่อันนี้อันนี้พูดใหฟังว่าจริงๆแล้วเนี่ยนักเรียนนักศึกษาเนี่ยถ้ามันเจอลักษณะแบบนี้มันจะรู้สึกว่าเออ จรวมันได้ประโยชน์แมันไม่ต้องมีพิธีรีตองอะไรมากเลยใช่ไหมเราไม่อยากเรียนก็ได้บอกครูครับวันนี้ผมไม่พร้อมเรียนเออกลับไปมึงกลับไปไม่ต้องมายุ่งกูใช่ไหมันไม่พร้อมอ่ะไม่ต้องมานั่งเรียนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมันนั่งหน้าเศร้าๆที่ทำไปใจฉันห่อเหี่ยวด้วยฉันคุณกลับไปจะไปทําให้มันวันใดคุณโอเคค่อยมันามาต้องมามาเสนอหน้าฉันวันนี้ไม่ต้องมาเสนอหน้าหน้าแบบนี้ดูแล้วเซ็งกว่านั้นนะบอกว่าเซ็ง โมเมนต์เลยค่ะเดีนเขามีประเมิอนอาจารย์จรเฮ้ น, นี่ฉันเคยไปบรรยายนะประเภทที่เขาประเมินเลยนะขนาดประเมินพวกไอ้ฝ่ายผู้บริหารเนี่ยใครไปบรรยายแบบไม่ได้เรื่องได้ราเขาจะประเมินตกเลยนะฉันว่าโอ้ฉันชอบจังเข้ามานี่วนยันฉนไปเลย <c oughs> โอ้ผ่านปีดหมดเลยโอ้ยไม่เห็นมีอะไรเลยยิ่งดีที่ประเมิอนอย่างเงี้ยชอบมากเลย ไ ป, <ต>ไปมาหลายหลายที่แล้วไอที่ประเมินแบบเนี้ไอผู้บริหารระดับสูงเนี้ยมามาหนี้มวลยันไปผฉันฉันบอกอ เ, เออเ <ปะ S 1> นี่ยพวกไอไอคิวสูงๆทั้งหลายเนี่ยฉันชอบฉันอยากให้มันประเมินทุกขั้นตอนเนี่ยเวลาไปนั่งคุยเนี่ยเออดีแบบเนี้ไอที่ไม่ประเมินกันเนี่ยไม่ได้เรื่องใช่หไหมละ่ะทุกไอคนไทยเนี่ยบางทีเราไปสอนเรารู้ไหมว่าคนไทยมีวัฒนธรรมอะไร วัฒนธรรมมันมีสระดับหนึ่งวัฒนธรรมบันเทิงสองวัฒนธรรมในการผลิตใช่ไหมสาวัฒนธรรมวัฒนธรรมแสวงปัญญาลองคิดดูว่าคนไทยเนี่ยในสวัฒนธรรมเนี่ยมันติดอะไรบันเทิงนี่เนี่ยเนี่ย้ไมาเป็น8ปดสอร์ซนะเรื่องผลิตนี่ตกเรื่องปัญญาท่ไม่ต้องพูดถึงหลักการมีแค่นี้เราก็รู้แล้วแล้วก็บอกมันตรงๆบอกว่าเนี่ยนิสัยคนไทยที่เป็นแบบนี้ทําไมไม่ชอบแสวงปัญญาเพราะอะไรมันติดติดการบันเทิง ชอบสนุกสนานชอบบันเทิงชอบเสพคุณอยากจะเป็นแบบนี้ก็ได้คุณอยากจะเป็นแบบโบราณที่เขาเป็นมาตามดับก็ได้ถ้าคุณไม่อยากปฏิวัติตัวเองก็บอกเขาตรงๆนี่คือว่าคนไทยมันติดอยู่แล้วเรื่องวัฒนธรรมบันเทิมวัฒนธรรมเป็นการผลิตในการที่จะไปฝึกฝนตัวนี้น้อยโดยมากเราชอบที่จะไปซื้อวัตถุอุปกรณ์ของเขาโรงงานของเขาเครื่องมือของเขามาเราไม่ชอบผลิตนีเราชอบบริโภคชอบเสพใช่ไหมวัฒนธรรมสแสวงปัญญาไม่ต้องพูดถึง ถ้าเรารู้อย่างนี้เสียเนี่ยเราก็บอกเขาตรงๆดิว่าเนี่ยนีสายคนไทยแล้วมันติดวัฒนธรรน้มันนี้มาจากอะไรอย่างนี้เป็นต้นถ้าบอกเขาตรงๆอย่างนี้เขาก็จะโอ้เขาอยากจะอยู่ในจุดไหนของสังคมนี้อยากจะเป็นผู้เสพผู้บริโภคก็ทําอย่างที่เป็นนี่มีอะไรถ้าเรีอนทุนคุณก็เลือดหรอถ้าบอกเขาตรงๆอย่างนี้แต่เราต้องอ่านอ่านให้ขาดใช่ไหมสภาพสังคมสิ่งแวดล้อมนักศึกษาที่มาเรียนฉันเคยไปสอนนักศึกษาจากลามแล้วเนี่ย ไม่ใช่นักศึกษาพวกพวกครูนะพวกครูอยากเอามาอะไรลามกแหงเนี่ยเขานี่มันยังไงหันบอกว่าบรรยายชั่วโมงหนึง่งแล้วอีกสามสิบนาทีให้ถามปัญหาฉันชอบมากเลยฉันบอกว่าฉันขอบรรยายส0มสิบนาทีตอบปัญหาชั่วโมงสลับ เพราะถ้าเป็นบรรยายต้งบรรยายไปบรรยายแค่ครั้งเดียวเนี่ยมันมันไม่ได้อะไรเยอะหรอกฉันบอกไว้ฉันอยากรู้ไอเดียของกลุ่มพวกณาจารย์ในหมอกหมาอะไรเราเนี่ยว่าคุณมีไอเดียอย่างไรมีทัศนคติอย่างไรฉันชอบแบบนี้แล้วเวลาถามปัญหาอะไรนี่ก็ตอบอันไหนไม่เข้าท่าฉันปัดตกเลยครัอย่างยกตัวอย่างเช่นในถามเรื่องว่านักเรียนมันไม่สนใจนักศึกษาไม่สนใจเราจะทํำยังไงเนี่ยอย่างนี้ฉันปัดตกเลย ไม่ต้องไปทาอะไรมันปล่อยมันไปใช่ไหยิ่งจะม่น้าอาจารย์เป็นอย่นี้ปล่อยมันไปเดี๋ยวมันก็ตายบาคนก็ไม่สนใจจะมาตามงานปล่อยมันไปปล่อยมันไปปล่อยมันไปมันอยู่ได้ไม่นานเราคนประเภทนี้เดี๋ยวมันก็ไปติดยาบ้าติดยาอี่เดี๋ยวมันก็ตายไปฉันจะหวานเปือนาอย่างไ กาก้าจำได้ว่าชื่อเมื่อกี้พูดมาคือจันหวนเออยังไม่ได้ให้พรยอมเลยะน่ะเน่นๆให้พรยอมหน่อยโหพูดเยอะเลยวันนี้ไม่ดีเห็นเจ้ากาก้ามาเลยตั้งใจอะหนูขุดขุที่ส่วนกุศลด้วย